หลักของสติปัฏฐานคือการเจริญสตินั่นแหละเจริญแปลว่าทําให้มันมากมากสติคือการระลึกรู้ระลึกรู้มากๆากระลึกรู้ให้ต่อเนื่องนี่คือหลักปฏิบัติไม่มีอะไรมากที่ไม่หลับตาเพราะอะไรเพราะจะได้เห็นตามองเห็นหูฟังเสียงออก แต่สติก็เลยลกรูนะ้เราจะดูจะเห็นอะไรยังไงจิตจึงจะปล่อยวางไม่ติดกับสิ่งที่ผัสสะเพราะปกติคนเนี่ยเวลาผัสสะเรื่องอะไรแล้วจะมีตัญหาเกิดขึ้นมาทันทีผัสสะแล้วก็เวทนาพอใจหรือไม่ก็ไม่พอใจสั่งจิตดูนะเราดูเห็น ได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆเนี่ยจิตมันไม่ค่อยซื่อเนี่ยดูอะไรเห็นอะไรแล้วอารมณ์มันเกิดขึ้นมาในดีไม่แต่คำพูดเราพูดคุยกับใครเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ไม่ซื่อตรง น, น, นั่นแในนัมันมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในอยู่ในคำพูดนะอยู่ในความคิดอยู่ในการกระทำทั้งหลายไม่แต่เรานั่งจเจริญสติอยู่เนี่ย มันก็ไม่ค่อยซื่อใสไม่ค่อยบริสุทธิ์มันจะติดตัวง่วงตัวคิดเนี่ยการที่จะมันรู้แบบบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมันยากเพราะจิตนี้มันถูกตั้นหาทํางานซะจนเคยตัวกระทบผัสสะเพราะมันมีอวิชชาอยู่แล้วนะเวลาผัสสะเนี่ยที่เกิดเวทนาพอใจไม่พอใจ เราก็เกิดตัณหาตัณหาคือความทยานอยากอยากในกามในความใครความพอใจที่เป็นความเคยชินรูปรสกลิ่นเสียงมันจะไหลไปทัทนะีเ้วก็อยากในความอยากเป็นอยากมีเขาเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีสามประเภทนะอยากในกามอยากเป็นอยากมี แล้วก็เบื่อไม่อยากเป็นไม่อยากมีเนี่ยบางทีอยากง่วงสังเกตดูนะเนเป็นการมรณ า, าไม่อยากอยู่ที่นี่เป็นวิภวะตนาอยากไปอยู่ที่อื่นเนี่ยแล้วก็นึกถึงบรรยากาศการนอนการหลับรู้สึกมันสุขมัน ส, นสบายเป็นภาวะตนา ใจเรานี่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยนะนั้นเวลาบรรยากาศอะไรเกิดขึ้นในจิตเราถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาเนะักจิตจะเรียกว่ากามกามกามเนี่ยมันมันไม่ใช่มมูนะหนอกยากมากทุกคนไหนที่ไม่ฝืนไม่ฝึกจริงๆเนี่ยแต่นั้นเราจึงให้รู้จักเรื่องของนิวร นิวรธรรมคือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องกีดขวางจิตเราไม่ให้มันทะลุไปอยู่กับตัวปัจจุบันมันจะมารบกวนปัจจุบันในขณะของเราอยู่ตลอดเวลานั่นคือเรื่องของอารมณ์กรรมนี่แหละสองก็คือความคิดพยาบาทตัวพยาบาทเนี่ยมันหลุดได้ก็ต่อเมื่อ เราเข้าใจรูปนามขึ้นมาพนได้อารมณ์รูปนามเนี่ยความพยาบาทมันจะหายไปคือโกรธใครนั่นๆ่ะแล้วเดินจุ ก, กลงหงุดหงิดอื่นใส่คนนั้นคนนี้ติดอารมณ์มันพยาบาทพยาบาทมันเป็นอาการที่ค่อนข้างจะเยอะคิดแล้วคิดอีกเนะ่ยพิ่เลยลำบันคือลำดีลำเลยอยู่นั่นแหละจิตนเนี่ยคิดแต่เรื่องเดิม เป็นอุปสรรคแล้วก็ความห่วงเหงาซึมเศร้าจิตมันไม่ตื่นมันสลึมสลือจะตื่นก็ไม่ตื่นจะหลับก็อายคนความม่วงความเหงาเลยก็เป็นอุปสรรคของจิตแบบหนึง่งที่มันไม่กลายสู่ภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันเบิกบานไม่ได้มันตื่นไม่ได้ ตัวนี้มันหอ่อตัวหนึ่งก็คือตัวฟงซ่านโดยเฉมันกับฟงซ่านคิดไปโน่นคิดไปนี่ฟงซ่านไม่ค่อยเป็นเรื่องให้หลายเรื่องเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางเล็กๆน้อยๆบางทีก็ยาวเป็นชั่วโมงความคิดเนี่ยมันไม่ออกนะบางทีก็เป็นความเป็นอารมณ์ข้างในลึกๆ สงสัยลังเลคือภาวะที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเองมันไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อมั่นในสติเชื่อมั่นในปัญญาเชื่อว่าในความสามารถว่าตัวเองก็ทําได้มันลังเลเนี้ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคถ้าเราไล่มันออกไม่หมดเนี่ยมันก็จะขวางทางอย่าง่างนี้ย ตแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็จะติดจิตเราเหมือนรถที่จะเดินไปข้างหน้าขับไปข้างหน้าก็จะมาติดพวกนี้ฉะนั้นไปปฏิบัติทำที่ไหนสายใดก็ตามถ้าแก้ปัญหาพวกนี้แล้วอย่าไปเลยถ้าคิดว่าไปแล้วจะไปจมอยู่กับพวกนี้ยไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่านี่แหละคือนิวรณ์สิ่งกีดขวางไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานมันติดอยู่ในอกในใจเราเนี่ย สลัไม่หลุดถ้าไปแล้วไม่ไม่คิดว่าจะฝืนสู้กับเรื่องพวกนี้ยเราจะไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยสู้ไปก็หรือว่าไปแล้วก็ไม่สู้ฟงซ่านอะไรมากก็เอาตามใจอยากโทรศัพท์ก็โทรนะอยากคุยกับใครก็คุยยิ่งบางสำนักเนี่ยมีกาแ ฟ, าฟมีน้ำดื่มมีโรงทานเลยอยากกินตอนไหนก็กินยานะ ลืมตาขึ้นโยมมองไกลๆทำให้จิตมันตื่นตัวกิเลสไอ้ตัวง่วงนั่นน่ะเขาเรียกว่ากิเลสยังนึกไม่ออกแลว้วกิเลสเนี่ยวัดดูสิศักยภาพตัวเองขนาดไหนเนี่ยคิดว่าจะไปนิพพานได้ไหมจะดับทุกข์ได้ไหมดูพลังของศรัทธาเราม า, มากแค่ไหนเนี่ยปฏิบัติทำเนี่ย ศรัทธาภละวิริยะภละกําลังแข่งความแข็งขันกล้าสู้กล้าชนมีพอไหมศรัทธาแล้วต้องขยันต้องตั้งใจคิดจะสู้กับอารมณ์ที่มันหนักหนักเลยนะถ้าอารมณ์มันง่วงๆห น, งหนักๆเข้ามาเราก็สู้ไม่ได้หลอกแสดงมิจะศรัทธากําลังแห่งวิริยะไม่มีทีนี้ถ้าขยันสู้เดินแต่บี้ตะบัน หรือนั่งนะพยายามสู้กับความง่วงแต่ตัวระลึกรู้นี่มันไม่ชัดเจนก็ไม่ได้นะต้องให้มีสติสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้หน่อยดิขยับอยดิท่าทางนั่งขยับท้ายขยับขวาเปลี่ยนท่านั่งท่าอะไรบ้างอันนี้คอตกคอพับคอเ อ, อเียงคอเบี่ยงคออะไรอยู่จะไปไหนเนี่ย จะเดินทำสายอริยมรรคหรือไปสุนิาพานธ์หรือจะลงนรกนะวันกันขับรถนี่แหละนะคุณขับรถยิ่งคุณขับเร็วเนี่ยสติต้องเข้มแข็งอ่ยสายตาต้องดีสมองต้องไวอันนี้กําลังขับจิตขับใจนะนี่พวงมาละนะัยมันน่ยความเรื่อยหลับในอยู่เรื่อยตายตั้งแต่เบื้องต้นไปเลยชนแต่ นี่วรธรรมอยู่เรื่อยงั้นให้มันตื่นจิตเนี่ยคนโง่อยู่ที่ไหนก็หลับอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์ก่อยู่ในผ้าห่มก็เป็นทุกข์ออกนอกผ้าห่มก็เป็นทุกข์อยู่ข้างนอกก็ง่วงเข้ามาในข้างในในรูนี้ก็ทุกข์เหมือนเดิมง่วงเหมือนเดิมเพราะจิตมันอ่อนแอเหมือนจิตเด็ก คนไหนจะสามารถรักษาใจตัวเองได้เนี่ยไปทำงานอะไรเพื่อคนอื่นก็สบายไม่งวนยิดไม่อึดดัดไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้มีความคิดความหาวังเพราะว่าสิ่งที่เราชอบที่สุดเนี่ยชีวิตนี้นคือกามแล้วก็ง่วงพูดอยู่เสมอว่าคนไหนที่ง่วงจัดๆเนี่ยคนราคาสูงอารมณ์เพศจัดเนี่ย พวกง่วงจัดๆเนี่ยแล้วคนไหนหายง่วงหายเงาหายเลยคืออารมณ์ราคะมันจืดจางมันดับไปอยเราทาเหมือนหมากำลังวิ่งตามกัดเรามาเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่ ง, ว, งวิ่งมาแล้วเราก็จังหนีข้ามคลองทางโน้นไปแม่มันวิ่งตามทันในชีวิตเนี่ยเราจะหนีข้ามจะข้ามเลยไหมชีวิตเนี่ย ทะละมวลหลับพวอะไรอาร์กับรสชาติของกามของง่วงกับกินหนึน่งพวกนี้แล้วก็คิดปรุงแตง่งพวกนี้เป็นอุปสรรคมากนะแล้วคนก็ชอบมากๆด้วยถามว่ามันอยากออกไม่ฉยๆม้วยมันออกยากในกามนี่ก็ไม่รู้จะอิ่ม กินก็ไม่รู้จักอิ่มนอนเนี่ยไม่รู้จักอิ่มทีนี้ถ้าเราฝืนสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่เราชอบที่สุดในชีวิตเนี่ยที่เป็นอาสะวะเนี่ยถ้าออกได้อันอื่นเราไม่ต้องห่วงหรอกลาบยศยศถามมรดกเข้าของเงินทองผัวเมียทรัพสมบัติทั้งหลายทั้งปวงมันมันไม่ได้ห่วงหรอกเพราะว่าสิ่งที่ห่วงที่สุดมีอยู่เนี่ยไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวนี้เรากำลังจะมาเลิกมาสลัดมันออกจากจิตสิ่งที่เราชอบที่สุดเนี่ยคือกามกินง่วงคิดเมื่อไหร่ที่จิตมันมีสมาธิพอเนี่ยมีความรู้สึกตัวทุกพร้อมมันจะสลายมันจะละลายความรู้สึกอันนี้ออกไปได้กามเรื่องเพลเรื่องพอใจทางรูปรสกลิ่นเสียง เป็นยังไงกินยังไงก็ได้แล้วใช่ไหมเห็นอะไรก็โ อ, อ้รู้สึกว่าไม่คิดอะไรแล้วรถยังไงก็ได้กลิ่นเป็นยังไงอะ่ะยังติดอยู่ไหมเสียงต้องเป็นเสียงดีเสียงเพราะเสียงนนเสียงนี้ไหมหรือยังไงก็ได้หรือไม่ฟังเลยก็ได้วั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยอยู่กับตัวรู้ล้วนได้หรือยังมีกามมีกินเนี่ยบางที สังเกตดูได้เวละอาหารมีไปแล้วมันถูกใจบางคนเคยชวนกระแสมันไว้เวลาไปรับอาหารเดินลงไปเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปรับก่อนนะจิตมันเนี่ยเราออกไปแถวเดียวก็เหมือนกันนะแต่บางทีไม่เคยเห็นยมันให้โอกาสคนอื่นเนี่ยเอาลองดูดิลองดูใจตัวเองใจตัวเองมันจะคิดอะไรให้ค่อยรับก่อนดูดิเอาใจเฉยๆเป็นไหมส่วนมากมันไม่ค่อยเป็นกำหนดรู้ก็ไม่ค่อยได้ แค่เอามาตั้งเนี่ยไม่ให้ดูมันเฉยๆนี่อยู่กับปัจจุบันระลึกรู้เฝ้าดูความอยากตัวเองนี่ก็ยังยากลําบากแล้วนะเราไม่เคยแอบดูอะไรที่มันละเอียดลงไปจิตตรานี้นี่เป็นการสร้างโอกาสเนี่ยสร้างโอกาสโอกาสให้พวกเราทั้งหลายได้เฝ้าดูตัวเองได้อย่างละเอียดตัวเองตัวดูความคิดอารมณ์ตัวรู้จากหน้าตา เจียา่าทางของกิเลสแล้วนะอย่าง น, น้อยก็คือเรื่องของนิวรเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ทตื่นต้ น, ตนที่เราพอเห็นได้กามพยาบาทปฏิฆะงดหิตฟุ้งซ่านรำคาญลังเลสงสัยง่วงเงาตื่น ด, ด, ดึกมาเนี่เพื่ออะไรเพื่อเพื่อจะต่อสู้กับมันนั่นแหละเราเราบริโภคตามความจำเป็นจริงๆอะ่ะ อย่างง่วงยังหิวนอนเนี่ยเอาตามที่ร่างกายมันอยากพักผ่อนให้มันพอแล้วก็พอหกชั่วโมงห้าหกชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะแล้วนะสามสี่ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าหนักเราได้เยอะแล้วนะเพราะถ้าจิตเราเป็นสมาธิอยู่ทั้งวันมันได้ฟุ้งซานในเวลานอนนอนน้อยเดียวแล้วมันตื่นแล้วพอวันวั น, วนหนึ่งเดินไปเดินวันจิตมันก็พักผ่อนอยู่แล้วไอแต่พราะว่า เราทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้พักผ่อนมันมีจจะคิดกับคิดกลางวันมันเลยเหนื่อยยิตนะเวลานอนแล้วไม่พอตื่นเช้ามันก็ยังง่วงจัดอยู่เพราะมันไม่พอไงกลางคืนกลางวันมันก็หลับไม่ได้มิจจะยง่วงจะง่วงอยู่แล้วมันเป็นความเคยชินในการเสวยเวทนาเสวยความง่วงความเหงาเนี่ยมันชอบ ติดอกติดใจในรสชาติอะไรนมันออกไม่เป็นถ้าออกอันนี้ไม่เป็นเส้นทางธรรมก็จบนะนั้นคุณต้องฝืนตัวง่วงให้เป็นตอนเช้านี่มาปะทะกันกับความง่วงเนี่ยใครดีใครอยู่เนี่ยมันง่วงมาดูมันเป็นดูเป็นไม่ดูสู้มันได้ไหมเห็นมันไมมตัวง่วงเนี่ยพยายามสังเกตสู้มันพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมตอนเช้า พอตอนเช้าๆนี่มันเกิดการต่อสู้ระหว่างมันง่วงกับพยายามเนี่ยสองหันดันไปตันมาเนี่ยแล้วเมื่อเกิดทะลุขาดปุ๊ดออกไปแต่ถ้าเสาสายนอนนิ่มแล้วจะมานั่งทำสมาธิมันจะสู้กับอะไรมันจะเห็นอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดิคุณจะดับทุกข์แล้วเอาทุกข์ไหนทุกที่ไหนจะดับทุกอะไร ย่งหิวข้าวนี็กก็ไปกินกินแล้วก็จะมาเฝ้าเพื่อดับความหิวไมนจะดับเป็นเหรอดังนั้นเวลาง่วงธรรมชาติมันมีความอยากเราจะได้รู้ว่ามันอยากได้ยังไงเนี่ยทั้งที่กุนอนมาเพื่อกี้นี่เองเนี่ยตื่นมาเดี๋ยวนี้เองแล้วง่วงอีกแล้วเอ๊ะมันจะทำงานอย่างนี้ได้ไงเราจะได้เห็นมันเห็นต้นสายปลายเหตุเห็นรายละเอียดเก็บข้อมูลมาเนี่ย ไม่ใช่เรามานอนนั่งหลับย้ายที่นอนจากท่านนอนมันเป็นท่า น, นั่งไม่ใช่นะคือเขาเจะให้เกิดปัญญารู้แจ้งสภาวะภายในสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นเครื่องมือรบกวนจิตเราตลอดเวลาพาธุ ด, ดงทุดันไปอยู่ที่โน่นที่นี่เอาทุ ด, ดงลงไปถ้าแกงง่วงไม่เป็นเนี่ยไม่ได้อะไรอะ่ะ แก้ความคิดยังไม่ได้เราทุดดงลงไปแล้วออกไม่ได้หรอกจากความคิดเนี่ยความคิดกับความม่วงสองอันนั้นไปที่ไหนก็คือไปแก้ไขอันนี้แล้เห็นมันแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นนให้มันออกไปไม่มันมีเลยยิ่งทำให้ได้ตลอดทั้งวั น, น ย, ยิ่งดี่ะเรียกว่าคนเริ่มมีสมาธิสมาธิก็คือการได้อารมณ์นั่นแหละรู้ตัวทุกล้อมต่อเนื่องนั่นแหละ มันจะนําไปสู่การเกิดปัญญาที่เรียกว่าญาณทัศนะเนี่ยปัญญาไม่ได้หมายความว่าคิดได้นะอยากเราเริลึกรู้อย่างเงี้ยเริ่ม ล, ลความรู้สึกตัวมันจะมากขึ้นมาขึ้นมากขึ้นมันก็ต่อเนื่องขึ้นไอความต่อเนื่องนั่นแหละเรียกว่าสมาธิแบบพุทธไม่ใช่สมาธิแบบพรามณ์นะพอมันต่อเนื่องปุ๊บก็มันก็จะตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่กระทบ แล้วมันก็จะเห็นอะไรตามที่มันเป็นจริงอะ่ะเห็นอนนี้จังก็เป็นอนนี้จังทุกครั้งอะไรตางเขาเรียกว่ามันเกิดเยะถามภูตยานเข้าใจตามกระ บ, บวนการที่มันเกิดมันดับโดยธรรมชาติเลยแล้วพอรู้ต่อเนื่องก็เกิดการรู้แจ้งขึ้นมาไอความรู้แจ้งมันเหมือนกับยัไงไงอะ่ะอุปมาเหมือนเราถือของไมาเ่ยในชีวิตเรามันถือความง่วงไมา ความง่วงถือความเหงาถือความคิดเนี่ยชีวิตนี่ถืออย่างนี้มาเลยนะถือมามากกอดทิฏฐิมานะลากัตนากรรมัรยจบาทงุนหิดทั้งหมดแหละการอัตตาทิฐิงมงายคนปฏิบัติธรรมาหนึ่งนะสังเกตดูตัวเองถ้าเราปฏิบัติธรรมมากๆแต่ยังติดเครื่องรางของขลังติดตะกุฏ ติดเหรียนติดรูปติดโน่นที่นี่อยู่ติดพระติดสิ่งศักสิโอ้ยห่างไกลนี่คุณห่างไกลพระธรรมคุณไม่ยังไม่ได้พึ่งสติตัวเองจิตของคุณยังมองออกไปข้างนอกอยู่มันไม่ได้มองเข้ามาข้างในมันยังเป็นความงมงายอยู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่จะสลัดออกก่อนเพื่อนเนี่ยความงมงายที่จะต้องออกนะเนี่ยเราเก็บไว้เต็มๆเลยอ่ะมันอยู่สุดท้าย เขาเรียกว่าศีลรัปตาป r ามา a ความยึดมั่นถึงมันในความงมงายความงมงายนี่มนันเป็นเปลือกของจิตข้างนอกนะกามเนี่ยมันยังอยู่ข้างในนะมันติดมากับชีวิตเราอะแต่ความงม ง, งายเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนู่นคือเราเพิ่งสะสมมาเมื่อเรากลัวใหม่ๆนี่หรอกเรากลัวเราหวัง เราเคารพเราสักการะมันเพิ่งเกิดใหม่อันนี้ยปฏิบัติทำสิ่งนี้หลยจะออกก่อนแต่ถ้ายิ่งปฏิบัติมีทั้งรูปทั้งเหรียญห้อยคออนนัน้เต็มสังเกตดูคนไหนมีเยอะๆเนี่ยคนนั้นโง่มากๆแพ้อารมณ์เขาจึงไม่มีอะไรงไงพระปฏิบัติธรรมเขาไม่มีโยมกว่าถ้าพึ่งสตินะไม่มีแต่ถ้าเพิ่งอยู่กับความคิดเพึ่งอยู่กับ อะไรต่างๆแสดงว่าจิตมันยังกลัวมันอยากพึ่งนั่นพึ่งนี่อยู่มันมีมาเต็มๆเลยเนี่ยมันสิ่งที่เราออกไปทีแรกก็คือความงมงายนั่นแหละแต่ความงมงายเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ตัวรู้มันชัดพอเราจเจริญสติเนี่ยตัวสติมันตื่นตัวตื่นปรงมันสว่างมันแจ้งแล้วจิตมันพึ่งอันนี้ปุ๊บ โอ้จริงๆนี้เราหลงไปอยู่กับความคิดหลงอยู่กับความงม ง, งายอันนั้นพอเรามีตัวนี้ตัวสติเราได้พึ่งสติเราและเลือกรู้อย่างไงก็เห็นจิตมันสว่างมันสดใสไม่ต้องวิ่งไปโน่นไปนี่มันอยู่ปัจจุบันเป็นไอตัวงม ง, งายนี่จะหายหลุดพุดไปไม่มีตัวนั้นมันหลุดไปแล้วนั่นเวลาทําธุระหน้าที่การงานทนําน่นตอนนี้ไม่ได้พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิล์ละ ไม่ต้องอนปานสารกล่าวละทําอะไรเนต่อไปนะเนี่ยรู้แจ้งในเบื้องต้นอันนี้จะหลุดไปมันจะเข้าใจเรื่องภาวะสมมุติเนี่ยทั้งหมดมันจะหายไปจากใจเนี่ยมันเป็นเปลือกของจิตแบบหนึ่งที่อยู่ข้างนอกเราไม่ต้องไปทําอะไรมันเพียงแต่ว่าให้ตัวรู้นี่มันเกิดขึ้นเฉยๆมันก็จะหลุดไปเองแต่ยังติดอ น, นันนนี้อยู่โอ้ยมัน คุณต้องไปสํารวจตัวเองนะคุณปฏิบัติทำเนี่ยปฏิบัติทำมากี่วันละมันเป็นยังไงบ้างอ่ะทำมันยังติดพวกนี้อยู่ก็ยากนะยังพึ่งพวกนี้อยู่นะต้องสังเกตเอาสิ่งที่ถ้ามันอวอันนี้ยังไม่หลุดนะแสดงยังไม่หลุดต้องเร่งไฟขึ้นมาต้องเร่งไฟ เลี้ยงไฟเลี้ยงฟืนเนีมันเจริญเติบโตขึ้นสติเนี่ยพอมันเจริญโตมันพึ่งภาวะของสติได้อันนั้นหายไปเองคือมันไม่จําเป็นนะอันั้นมันไม่จําเป็นแต่ถ้าคนไม่มีสติไม่มีพุทธตัวรู้พุทโธรู้เนี่ยตัวรู้คือสติตื่นเบิกบานมันก็จะไปพึ่งอันนั้นพึ่งความงมงายเนี่ยพึ่งรูปพึ่งเลี้ยนพึ่งเจดียพึ่งนนพึ่งนี่แหละนะว่ายกันจังพราะอะไรเพราะว่ามัน มันไม่เกิดปัญญาไอ้ที่หลงมานี่เขาว่ามันไม่ใช่นั่นแหละที่คุณกอดอยู่เนี่ยทิ้งซะเนทิ้งไม่ได้หรอกเพราะมันติดไงมันต้องออกมันเป็นทิ้งยังไงนี่ทิ้งยังไงทิ้งอันหนึ่งมันก็จับอันหนึ่งอย่างเงี้ยมันต้องมีอันหนึ่งอยู่จก็เรารู้ตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตเราที่มันมายึดเนี่ยไปยึดความคิดยึดความงมงายมันมีตัวสติเข้ามา มันเหมือนแรงแรงที่ดูดเหมือนแม่เหล็กเนี่ยมันดูดจับอย่างนี้อยู่มันลดแรงดูดพอมีสติเข้ามาข้างในมันจะหลุดเปาะลงไปข้ามบนเองนหละหล่นลงไหมันเป็นธรรมชาติมันเนี่ยพอมันหล่นปุ๊บอ๋อแบบนี้ดีนาะนี่แล้วตัวมันก็จะเบาขึ้นมามันเหมือนเสื้อผ้าเราเต็มอยู่ๆก็หลุดเปาะลงไปเนี่ยสว่างขึ้นมาดีเลยจิตเนี่ย จำแจ้งความงมงายความกลัวผีกลัวอะไรต่างานมันหายไปในเบื้องต้นเนี่ยในขณะเดียวกันเราจะเริ่มรู้ทางละเราจะดับตามดับง่วงดับความคิดนดับยังไงเพราะทําเป็นบองไรเนี่ยรู้จุดมาละจุดเกิดจุดดับของปฏิเวทอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะเริ่มมองออกน้อ ย, อยแล้วเราปฏิบัติที่นี่มันจะเกิดปฏิเวทภาวะนั้น แต่ ถ, ถ้าสติยังไม่มีตัวระลึกรู้เนี่ยมันยังไม่เป็นสติในอริยมรรคให้ได้แต่เป็นสติกํำนดรู้ได้น้อยรือว่างื้บ้างรู้บ้างรื้อบ้า ง, อ, า ง, อ, างอ่ยามันไม่เป็นให้ดงั้นความมั่นใจในธรรมะของพุทธิย่าเกิดขึ้นไม่ได้นะมันเกิดขึ้นไม่ได้ในใจเราเนี่ยเราไม่มั่นใจเลย เพรนเราก็จะหอบไปสำนักนั้นหอไปสำนักนี่น อ, นนอันั้นเขพูดดีอันนี้ก็พูดถูกใจแต่เราไม่เคยเห็นใจที่เรามันไปยึดมันปล่อยวางอะไรอย่ไม่รู้จักแต่ที่เราจะเฝ้าดูชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยเอาเฝ้าดูมันดิสติเนี่ยฝาดฝันมันเข้าไปดิมันง่วงมาเท่าไหร่วันเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดมาเท่าไหร่ร้อยเรื่องไหมสองร้อยเรื่องไหมดับได้กี่เรื่องนะปรุงแต่งเนี่ยด่าทำเป็นไหมดูความลับมาหรือยัง ตัวปรุงตัวแต่งเกิดดับยังไงเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแบบว่าปฏิบัติทำจเจริญสติก็ได้ตัวรู้นน้อยแวบมาโล่งๆนิดๆหน่อยๆนั่นเองเนี่ยขนาดสมาธิคุณมีแค่นั้นนะคุณยังทําได้แค่นไ น, นั้นใจคุณยังดีแล้วคุณทําต่อเนื่องแนหะมันจะเป็นยังไงบางคนคุยหนักทําการทํางานคนเลยเลืกรู้อยู่ตลอดเวลาไม่พอหรอกนะมันไม่เป็นให้หรอก มีปรัสนายาหริยานัทธสเนนี่มันมันพูดถูกนะแต่มันทําไม่ได้แต่ว่าทําอะไรก็ให้รู้ทําอะไรก็รู้มันไม่รู้หรอกขนาดที่เราตั้งใจเจตนาที่จะรู้เงี้ยมันยังไม่ค่อยอยู่เลยแล้วจะไปกําหนดรู้กับอริบทชีวิตประจำวันเนี่ยยากมันต้องผ่านอนาะรมณ์ปรมัดไปก่อนเนะี่ยมันถึงจะเป็นถ้าว่าแบบนั้นนะอันรูปนามคืออาการ กายกับสติมันอยู่ด้วยกันเนี่ยระลึกรู้เนี่ยมันยังไม่หลุดแล้วจะข้ามไปเนี่ยจะยากจะใช้อยู่ในชีวิตประจวันกำหนดรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นกระดูมันดูมันมันยากแล้วมันไม่ค่อยเห็นผลส่วนมากมันจะไหลเข้าไปในความคิดมากกว่าแต่ถ้าเราได้อารมณ์ก่อนเนี่ยเวลาเราไปทำอะไรเอามันมันจะเริ่มเ็นไปของมันเองทำให้มันจะเริ่มจัดสรรเมือเราซ้อมมวยในค่ายมวยที่หนักๆแล้วเนี่ย เวลาไปต่อยข้างนอกเวลาเดินไปเดินมาคนนั้นวิ่งมาชนคนนี้วิ่งมาเตะมันถมันไปเองนะหมัดเท้าเข่าสอกมันไปของมันเองศอกกับแต่ถ้าเราไม่ถนัดทํายังไม่เป็นเนี่ยอะไรวิ่งมาเราก็ใช้ลูกเดียวนะวิ่งหนีมันกันเลยเราก็วิ่งหนีมันไม่ออกไปหรอกเที่ยงที่มันมีไม่สอกมีเข่ามีไหมหมัดมีไหมมีหมัดเท้าเข่าศอกมันมีแต่มันไม่ทํางาน เหมือนสติของเราเนี่ยปัญญาเราสมาธิถามว่ามีไหมมันมีแต่มันไม่ทํางานเพราะกลไกมันถูกล็อกด้วยตันหาไว้หมดเลยเราไม่เคยเห็นนี่ยเราไม่ปล่อยออกมาทํางานสติเราเนี่ยนี่เราพยายามที่จะมันลึกรู้นี้มันทํางานเนี่ยทำให้มันต่อเนื่องสติเราเนี่ยต่อเนื่องและลึกรู้สมาธิความตั้งมั่นเวลาเราเห็นว่า สมาธิมีเนจิตเราจะตื่นนะสมาธิแบบจิตตื่ น, นเนี่ยไม่ใช่จิตตายจิตตายคือนิ่งสงบแบบหลับตาทํำนะ่ะหลับกันอย่างก็เรียกว่าสมาธิที่จริงสมาธิเนี่ยคนไหนมีสมาธิจิตจะทําลายนิวรณ์ได้จะควบคุมตัวนิวรณ์นี้อยู่หมัดเลย สมาธิไม่หมายว่าดิ่งไปอยู่กับความสงบอะไรสักอย่างอะสบายอะไรอยู่ไม่ใช่คือสมาธินี่จะหยุดยั้งป้องกันนิวรณ์สติเตสังนิวาเรนังสติเป็นเครื่องกั้นนิวรณ์มันกั้นอยู่ระดับหนึ่งอ่ะมันไม่เข้ามาเลยทีนี้ทีนี้พอมันเกิดการรู้แจ้งเนี่ยปัญญาญาบริสุทธิ์สตินะนิวรณ์นี่จะทำลายด้วยการเกิดปัญญาญาณเกิดการรู้แจ้งขึ้นมามันจึงจะทำลายได้ มันปัญหาชีวิตเราเนี้ไมไ่ใช่ไหมพราคนนั้นจะมาทําให้คนนี้จะมาทําไม่มีไม่มีใครทําอะไรเราเลยนอกจากจิตที่ไม่ได้ฝึกดีที่อาสวะเรานี่แหละที่สะสมมาเนี่ยทางานทําร้ายเราเรามาปฏิบัติทำปฏิบัติทำเพื่อมาเรียนรู้ธรรมชาติอันนี้ที่มันเกิดมันดับขึ้นมาในจิตเราเนี่ยเรามาหาอันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าวันวันหนึ่งเราไม่อยู่ขบความปรุงแต่งเนี่ยก็จะได้อะไร ปรุงแต่งดีก็เป็นปุญญาพิสังขารปรุงแต่งไม่ดีเป็นบาปคิดไม่ดีอ่ะบางทีไม่ใช่คิดดีไม่ใช่คิดชั่วแต่มันติดอยู่ในสมาธินี่เขาเรียกว่าอเนจชาพิสังขารสังขารคืออเนจะคือการติดอยู่ในความสงบออกไม่เป็นเนะ่ยสงบอันหนึ่งแต่ออกจากความสงบก็คิดดีไม่คิดดีก็คิดชั่วแต่นี่เขาให้รู้เฉยเฉยไม่มีคิดดีไม่มีคิดชั่วอันเนี่ย คิดดีก็รู้คิดทั่วก็รู้ตอนนี้มันสงบเนี่ยก็รู้แต่มันไม่ได้เข้าไปเนนั่นเป็นผู้รู้ไงมันปฏิบัติธรรมนี่วัดเครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิประลอดของคุนทั้งหลายทั้งปวงเอาตัวนิวรเนี่ยไปวัดว่าวันนี้มันมากแค่ไหนมันน้อยแค่ไหนอ่ะเช้าเมื่อวานนี่เป็นแบบหนึ่งวันนี้เป็นแบบไหนมากขึ้นไหมแต่จะไปกลัวมันง่วงวันนี้วันพรุ่งนี้มันอาจไม่ง่วง ถ้าเราฝืนอยู่ดีเดี๋ยวมันออกเพราะว่าเราสู้กับมันแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนเราเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆอง่วงแบบนี้นะเบื่อแบบนี้นะขี้เกียจมาแบบนี้นะวันนี้เราสู้ได้แบบนี้นะเราขยับไปนี้มันดีนนแบบนั้นไหมเวลามันจะหลุดออกมันหลุดออกแบบแบบชั่วพลิบตาเดียวเหมือนของที่ใส่มาเยอะๆอยู่ๆก็หลุดมือเพราะลงไปเนี่ย เกิดจิตโลหูตากายยาโหูตาจิตเบากายเบาขึ้นมาโล่งโปะถ้าเรารู้จักเส้นทางเร้่อนต่อไปจะเริ่มประคองเป็นน่ะเนี้ยท่านประคองสติจะเริ่มเป็นประคองใจที่ว่างๆก็จะเริ่มเป็นน่ะแต่อย่าเห็นมันเป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นอาการหนึ่งที่เกิดจากเราปล่อยวางตัวนี้ปุ๊บแล้วมันจะเบาแต่ไม่ใช่ประคองความเบาอันนั้นเร่งทำละชั่มะข้างในออก รู้สึกตัวเป็นเรื่อยเพื่ออะไเพื่อไม่ให้มันกลับคืนเข้ามาแต่อย่าไปยึดเอาตัวเบานะั้นถ้ายึดตัวเบาตัวเบาหายอีกละติดอารมณ์อีกละงูดยิตแล้วเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีนะเมื่อวานทําแบบนี้แล้วเป็นอย่างอั้นวันนี้ทําอีกก็ไม่เป็นโอ้ยเบื่ออะไรอยเงี้ยเอาละธรรมะกูรู้แล้วแค่นี้ก็พอเราไม่ละเอียดนะมันไม่มีอะไรที่เราจะเอาเลยนะปฏิบัติธรรมเนี่ย ไม่ไะมาเอาอะไรปฏิบัติทำมาสังเกต ด, ดูเลยลึกรู้เฉยๆส่วนมันจะเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาแล้วมันจะหลุดออกไปเป็นเรื่องของมันนี่เราเราทำได้แต่ลดน้ําพวนดินส่วนการงอกเป็นเรื่องของมันนะแต่อย่าให้มันเข้ามายุ่งตัวง่วงตัวเหนาตัวเบื่อนี่วันวันหนึ่งเห็นมันได้ไม่ชัดๆ ช, ชั่วโมงหนึ่ง บางทีท่านทั้งหลายกาลังจะง่วงอยู่จัดๆเนี่ยฝืนสัหน่อยเนี่ยมันจะได้ข้อคิดหนึ่มันก็หลุดพวกออกไปเลยนะไม่ได้หมายเขาว่ามันจะเริ่มดีขึ้นทีละน้อยและน้อยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพุทธธรรมมันประหลาดมากประหลาดคือทำสิบชั่วโมงเนี่ยอาจจะสู้สิบนาทีไม่ได้มันอยู่ที่การวางใจเป็นอันเนี่ยเขาถึงบอกว่ า, วาแล้วแต่บุญเนี่ย แล้วจะบุญแล้วจะบุญแล้วจะบุญเพิ่นแล้วจะบุญถึงแล้วจะบุญมันจะมีบางคนทําบุญทําทานมาตั้งแต่เกิดเอาจริงเอาจังแต่พอมาทําอันนี้มันไม่ได้นะพี่บางคนทําชั่วมัาเยอะแต่พอมาทํามันนี้รู้สึกตัวพอรู้กฎอันนี้มันก็ปิ้งขึ้นมาของมันเองมันเป็นธรรมชาติอันนี้มันเป็นธรรมชาติไม่นี้เฉยมันที่บวดมันนานสิบยี่สิบปีไม่เป็นให้นะเนี่ย ทำทุกวันมันก็ไม่เป็นให้บ้างที่ติดสงบบ้างติดความง่วงเหงาเข้านอนบ้างยิ่งพระเนี่ยจะชำนาญในการหลับยิ่งนั่งสมาธิเป็นลับทุกวันแลนะแต่โยมก็เคารพไม่มีใครตรวจสอบเคารพอะไรว่าท่านเป็นพระไงเราคิดว่าเป็นพระแต่นี่มาปฏิบททัติธรรมเนี่ยเราตรวจสอบตัวเองอันนีนอกจากเอานิวรเป็นเครื่องวัด แล้วก็ให้เอาสติเนี่แหละนิวรณเป็นเครื่องวัดสตินะเพื่อสติเข้มแข็งไม่เข้มแข็งเนี่ยมันอยู่ที่นิวรณมันผอมลงผอมลงเพราะว่ามันเป็นภาวะอันเดียวกันคือถ้าไฟคุณเนี่ยคุณติดไฟได้ดีๆเนี่ยใจมันไม่มีอะไรหรอกนะถ้าไฟมันมีพอเนี่ยความม่วงความเหงาความเบื่อมันคือความสว่างมันเกิดขึ้นความมืดมันก็หายไป คือถ้าสติปัญญามันเกิดเนี่ยความทุกข์มันจะมีเหรอทามันมืดมามันยิ่งมืดมากคนที่มีอารมณ์เยอะเนี่ยไอความสว่างทางใจสติเนี่ยมันก็ไม่มีสติมันไม่มีมันได้มีสติเน่ยติดกับความคิดความงงความงาความเบื่อสติมันไม่มีฉั้นเราวัดดูว่าถ้าสติมีปัญญามีเนี่ยจิตมันจะโล่งโปร่งมันไม่มีอะไรเพราะ สิ่งเหล่านี้คือความมืดวิชากับอวิชาตนเองถ้าวิชามีอวิชามันก็หายอาวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้อารมณ์นั่นแหละไม่รู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อมาเรียนรู้ธรรมชาติของทุกข์นี่แหละรู้ถ้ามันรู้แจ้งยิ่งมันสว่างมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็หายไปมากเท่านั้นถามว่ามันค่อยค่หายไหมไม่ใช่มันแล้วแต่ไฟคุณน่ะ ถ้าคุณรู้สึกตัวฟังท่านพูดก็เข้าใจเจนน้อยก็เริ่มทําใจได้เจนน้อยน้อยน้อยอันนี้เป็นอีกอนหนึงอันนี้ค่อยๆเข้าใจเนี่ยเหมือนการรู้ธรรมะจึงบอกว่ามันมีอยู่สองแบบวิธีหนึ่งค่อยๆรู้ตามเป็นสาวกพุท ธ, ธค่อยๆรู้ตามเรียนรู้ไปสหะวะกสร่างโคค่อยๆรู้ตามแบบวิธีหนึ่งคือแบบปกกัจเจกพุท ธ, ธอยู่ๆก็หลุดพลุดขึ้นมาเลยเหมือนผลไม้ที่มันสุกโรลนปุ๊กลงมา หอมหวานแต่อันหนึ่งก็คือเด็ดเอาแล้ไปบ่มแล้วลอกกินทีละน้อยแล้วค่อยๆสุกไปอันนั้นคนทั้งหลายสามารถสัมผัสกับสภาวะนะั้นได้ทั้งสองแบบนะอันหนึ่งเรามองฟังไปด้วยแบบหนึ่งหล่นปุ๊กไปแบบเซนเนะคือจริงๆคนเราเนี่ยทุกค น, นมันมีเซนอยู่แล้วในตัวนะมันมีภาวะอันนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ทำยังไงเราจึงจะหลุดออกจากความคิดเราได้จริงๆวิธีการของเซนก็คือทําให้คนทุกคนหลุดออกจากความคิดนั่นเองหลุดออกแบบปัจจุบันทถนนหลุดพวกล่ะแล้วมันจะจำแจ้งขึ้นมาเลยแต่ส่วนมากเรารู้ทำไมในรู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้ด้วยความคิดเดี๋ยวเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติอยู่ด้วยความคิดคนไหนไปนล้างหน้ามาแล้วมันยังง่วงอยนะู่น่ะถมน้ําลายนะใส่ตาตัวเองนะถุยมันบ้าง กูรังเกียดมึงซะเหลือเกินลูกตาเนี่ยบอกมั น, นถ่มใส่มือก็ได้แล้วก็เอามาแลดๆๆๆทๆไปแล้วมันจะหายเนี่ยแต่ยังทำไม่เป็นเวลาออกไปล้างหน้านะเอาน้ำยาสันไลนะ่ะขัดออกตาเนี่ยตานี่มันไม่ดีซะเหลือเกินนะทูกออกหรือเข้าไปในเมืองก็ไปเปลี่ยนใหม่ซะไอ้ลูกตาโง่ๆเนี่ยหรือมันไม่ได้เกี่ยวลูกตาเปลี่ยนเตียนที่ใจหรอใจก็แก้ที่ใจเด้ ถ้างั้นมันก็ไม่ได้สักทีแล้วดูที่บางคนในตัวเล็กๆ ก, ก็ไม่ง่วงเป็นเน่ยในน้อ ย, อ, ยอายุสดใสบางคนแก่ๆ ก, ก็จะตายแล้วก็ไม่ง่วงเป็นแล้วกูอยู่ระดับไหนกูเนี่ยกลางๆ ก, ก็มีในกลางๆ ก, ก็ไม่ง่วงนะแล้วทำไมเราถึงง่วงล่ะเราเปียบแบบไหนเนี่ยกูแก่เหรอคนแก่กว่าเราก็ไม่ง่วงนะ เขาบอกอยอายุเรายังน้อยเกินไปมันนอนยังไม่พอคนน้อยๆก็เราก็ยังไม่ง่วงเป็นเนะี่ยเฮ้ยมันยังไม่ชานานบวชใหม่พวกบวชใหม่ก็มีเนะี่ยทาไมไม่มง่วงว่มันก็เกินไปแล้วเว้เนี่ยปรนันกิเลสเนี่ยบางคนยังจะคุยเฮ้ยสมัยอยู่บ้านก็มีง่วงนัไม่เหมือนมาเชียงใหม่นี่นะแห น, นอีกเลยทีเนี้ยเชียงใหม่เชียงเก่าง่วงมันเดิมแหละ ผีตัวเดิมเนะี่ยจิตอันเดิมเนี่ยวุ้ยสมัยไปปฏิบัติสำนักนั้นดีกว่านี้นะสมัครนี้ว่วงจัดสติอันเดิมนั่นแหละสติมันเกิดที่ไหนอยู่ที่ตีนหรืออยู่ที่จิตทุนเะน่ยอยู่ที่จิตนะไม่ใช่อยู่ที่ตีนนะมันอยู่ที่การเดินนะนะฉั้นอยู่ที่จิตไอ้ความว่วงมันมาจากไหนมันมาที่จิตนั่นแหละถ้าสติติดอยู่ที่จิตคุณได้สติมาก่อนคุณไม่ว่วงรองมันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีถ้าเป็นวิธีนี่ยังไม่ใช่สวากขาตธรรม ฟังดีๆนะสวาขาโตพระควาตาธรรมโอธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตัดไว้ดีแล้วนะั้นเนื่งสันติโกเป็นสิ่งที่จะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเห็นเองน่ยมันต้องเห็นเองนะไม่ใช่ฟังมานะแต่เห็นเองเห็นอยู่ที่จิตเนี่ยโอ้เป็นอนี้เนอะรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยสัมผัสเองสันิติโกอากาลิโก อากลิโกเนี่ยฟังนะครัเนี่ยคือสัมผัสได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสามารถดับทุกได้ไม่จํากัดการเวลาถ้าได้สติมาแล้วโอ้สมัยนั้นไปไปฏิบัติเทนุได้สติมาแล้วได้สติมาแล้วมันจะดับได้คุณไปอยู่ที่ไหนมันก็ดับได้อยู่ในถ้าในเหวในรูในไห น, นก็ตามนะ่ยมันจะดับได้ดูในตลาด ท่าน้วลางว่าขายของตีลังกายอยู่คนเขียนรถเขียนอยู่นี่พุทธภาวะก็เกิดอยู่ตลอดเวลานะดับได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาเอหิปัสสิโกเขาแปลว่าควรเรียกให้คนอื่นมาดูพืชอดูใจตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอเอหิปัสปสิโกเอหิปัสสิโกมันดูใจตลอดเวลาเนี่ โอ้ปัญญาิโกมีอะไรเกิดขึ้นกับ น, น้อมกับเข้ามาดูข้างในน้อมกับมาดูข้างในไม่ได้ดูหนะ้าดูตาดูทา่าดูทางเอามองไกลๆมองไกลๆมองไกลๆแต่ก่อนเนี่ยคนปฏิบัติธรรมสำนักต่างๆเวลาไปปฏิบัติธรรมดวงตาชอบพูดบางคนมันฉลาดนะวันแรกมันมาง่วงง่วงๆพระก็เห็นทวงว่เฮ้ยง่วงจัดนะเนี่ยหลับอีกแล้วเนะี่ย มันก็เลยใส่แว่นตาดำมาที่สำนักนี้ปรากฏการมีแว่นตาขาวอีกทางนึงแล้วดีดีเนอมันยังมองเห็นง่ายมันตัดเข้าไปในมองเห็นอันลืมตากว้างกว้างมันยากิเลสทั้งหลายทั้งปวงในโอ้ยหลวงตาดูออกมันเป็นยังไงเนี่ยกิเลสเนี่ยมันไม่มีมันยาลึกซึ้งเท่าไหร่หรอกมันเป็นภาพเดิมๆมาแหละเวลามันง่วงเนี่ยคุณก็ สังเกตดูดิมันเหมือนเดิมๆน่ะมันไม่มีอะไรประหลาดขึ้นมาเลยทําไมจะให้มัน ท, ทําทางร้ายเราซ้ําแล้วซ้าอีกปัจจตังแปลว่ารู้ได้เฉพาะตนปัจจตังนะรู้ได้เฉพาะตนสนะุทธิอสุ ธ, สธิปัจจตังออยุนันอย่างวีโซทะเยมองอยู่ข้างใน เ, นเห็นี่ หลุดพ้นแล้วหรือยังไม่หลุดพ้นเนี่ยมันจะดูออกเป็นเห็นจิตมันรู้ตื่นเบิกบานจำใส่ข้างในเนี่ยเวทิตโภวินยูอันวินยูชนวินยูชนนะวินยูชนคือผู้รู้แจ้งแล้วเนะี่ยมันจึงจะเป็นเอหิปัสสิโกโอปะณิโกอากาลิโกมันไม่ประกอบ ยมลืมตาลืมตาอ้าวยังเคยเย็บจัก้กกกกเนี่ยใ น, น, นนะ่วยื๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊้๊๊๊๊๊เ๊๊เ๊๊งงนน๊๊๊๊นน๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊่า๊๊๊๊๊๊ไม่ได้๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ง๊๊๊๊๊๊๊๊่เขาเทน้ํางงนน๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ จกเอาอีกเลยเอาได้เท่านั้นน้ชีวิตมึงเนี่ยตื่นเพราะน้ําล้างขี้เขาเนั่นเนี่ยโยมมองมาลงตาวงตาหวัวร่อแล้วโอ้ยหวัวเธอเนาะแหละโง่ไม่ได้ตื่นเพราะสะติสตังอะไรซะเลยอปฏิบัติทำเนี่ยตื่นเพราะน้ำล้างขี้ได้ยินเสียงน้ําลาดหวัวส้วงก็ตื่นขึ้นมานหน่อยหแล้วก็หลบลงไปอีกนะเราก็เลยโอ้เลื่มรู้แล้วเนี่ย แสดงว่าถ้าเอาขี้มาราดมันนี่มันจะตื่นเลยนะเนี่ยเอาจริงปันยังปันนั้นนะ่ะมันถึงจะได้ถ้าเอานิพานมาแลดเนี่ยไม่รู้เรื่องนะ่ะเพราะไม่ได้พิษสวัด่นมันไม่ได้ตื่นเนาตั้งอกตั้งใจเนี่ยโยมาปฏิบัติทําใหม่เนี่ยเขาเพิ่งมาเดินจะกมลงตางก็ไม่เห็นง่วงสร้างจังวะมานั่งอยู่ในนี้ก็ไม่เห็นง่วง หรือจะเปลี่ยนพวกผู้ชายลงไปด้านหลังเอาพวกเขามาหลายคนเนะ่ะเขาาเทวดาก็คือคนรวยเนี่ยนะทางอินเดียเขาเรียกว่าราชาเรียกว่าเทวดาเทวดาของเราเทวดานี่หมายถึงคนหัวแหลมแหลมหอกมาไม่ใช่คนเราความหมายทีนี้เมธาอนเนี่ยพระสงฆ์เจ้ามาเขาแต่ก่อนเขาจะมาฟังพระพุทธเจ้าท่านพูดในฟังท่านจะพูดแล้วสอบอารมเรื่องนั้นเรื่องนี้ เขาเรียกว่าทําวัดคือกิ จ, จวัตรนะ่ะกิ จ, จวัตรนี่ยเขาจะนัดกันเลยมาเลยยกเว้นพระน่ยยกเว้นอแต่พระนี่ชั่วพูดไม่ได้ง่วงนะโยมมาจะมาเข้าฌานแน่อีกได้ทีเนี้ยนะยกเว้นนี่คือยกเว้นอะไรยกเว้นพระที่ไม่รู้ก็ไม่รู้มันก็เหมือนกับโยมเลยยกเว้นพระที่รู้ก็รู้ นั่นให้มันเข้าถึงคนไหนที่มีอย่างที่หลวงตาว่าเนี่ยนั่นแหละคนนั้นได้สว่างขาตธรรมละสว่างขาโตัวปะกวาตสวดไปทําไมอ่ะถ้าไม่เอามาวัดตัวเองเนี่ยเขาเรียกพุทธานุสติและลึกล้วากูเป็นอย่างนั้นไหมจิตเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใชอย่างเป็นอย่างสว่างขาตัวปะกวตที่สวดไหมหรือสวดเพื่อให้มันเกิดศักดิ์สิทธิ์มันขลังอะไรขึ้นมาไม่ใช่เป็นเครื่องวัดตัวเองนะเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดตัวเอง มีโยมเขาถามหลวงพ่อหลวงพ่อพันเปคนบ้านนอกไม่รู้เรื่องอะไรหลวงพ่อปฏิบัติทำมาเนี่ยผมไปถามหลายคนหลายสำนักแล้วให้คำตอบแจ่มชัดผมไม่ได้สักคนเลยหลวงพ่อตอบผมได้ไหมยังไม่รู้เรื่องนะว่าตอบไปอะไรผมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้หรอกคือจะตอบให้โยมแจ่มแจ้งในใจโยมไม่ได้หรอก นะยิ่งทิฏฐิเยอะยิ่งไม่ได้อคําถามผมนี่สดยอดนะยังไม่มีใค ร, รตอบผมได้นะหลวงพ่อปฏิบัตินานมานี่หรือยังนานแล้วนะรู้แจ้งหรือยังยังรู้รูปนามหรือยังพอรู้บ้างนิดหน่อยหลวงพ่อตอบเลย ไ, ไม่นิพานคื อ, อยังไงนิพานเป็นยังไงนิพาน ดูที่รู้นี่หน่อยมันยังมาถามนิพานแล้วแต่มันก็อยากรู้นะคล้ายๆกับพวกหนึ่งอยู่ในดินเนี่ยดำอยู่ในดินใส้เดือนเนี่ยมันจะถามว่าบนอากาศแต่เป็นยังไงบ้างใส้เดือนนะ่ะแล้วมันไม่มีความสามารถที่จะขึ้นไปเห็นเรือซ้าไปแต่มันก็ถามว่าบนอากาศเป็นยังไงเป็นภาวะที่จะรู้ไ ม, ไม่รู้นะหลวงพ่อนั้นตอบนะตอบคนคนนี้ย อ้านิพานเป็นอาการยังไงหลวงพ่อเอาดับทุกข์นี่มันเป็นยังไงท่านว่าโอยโยมเอ้ยนิพพานคือกันกับขี่สุดนี่แหละมานะขี่สุดคือเวลาขี่จบมะนะเป็นยังไงท่านเป็นคนบ้านนอกนะหลวงพ่อก็ไม่รู้จังว่ายัางไงคือกันกับขี่สุดนี่แหละมาะนะป็นนั่งขี่ในสวมเจียบทอ่องเราไปนั่งขี่ขิดปวดออกมืด สว่างแบบนั้นแหละพืะ่อนคนที่ถามอ๋อจ้ำเจงหลวงปอเพื่อน <laughs> ผมสิบว่าถามไปอีกจักเถื่อแบบนี้เพื่อนไม่ถามใครอีกเลยตั้งแต่นั่นใหม่ไปอยู่ที่ไหนก็คําถามเด็ดๆแกนี่จบแล้วแต่ก่อนนิพผานดับเย็นแบบนั้นไปนี่ไม่มีหลวงปอว่าคือขี่จบเลยนะเพื่อนขี่เนี่ยคือราคะโทสะโมหะทุกมันเยอะมากอยู่ๆเป็นนั่งบนหัวสว่มันพรอด เดียวเกลี่ยอ้อยๆทำสะอาดยิ่งกว่ากระดาษเช็ดล็อกถูนั่นนะสะอาดจำแจ้งลุกขึ้นเบาวิวเบาตัวโอ้ยไม่ทุกข์อีกแล้ววันนี้แต่ขี้นี่มันไม่ทุกข์แค่ไม่นานนะแต่นิพพานเน่มันไม่เป็นอีกอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยอัดอันอ้นตลอดเวลานะ มันอัดมันอันเดี๋ยวงนุงหิดละเดี๋ยวเบื่อละเดี๋ยวขี้เกียจละเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวเงคือมันจะอยากขี้ทุกวันทุกวันอะมันอัดอยู่ในเนี่ยแน่นทุกวันทุกวันทีนี้ไปเอามันออกแล้วมาปฏิบัติทํามนี่เพื่อมาสายเจาะรูให้มันออกอะนะไม่ได้พูดสกรปรกนะเนี่ยพูดตามหลวงพ่อ น, นั้นว่าอือตรงตาจกได้ยินโอ้จมเจ้งเนาะก็ไม่ถามอีกเหมือนเดิมแหละ โยมก็เผื่อโยมจะถามดับทุกมันเป็นยังไงก็เหมื อ, น, อนนั้นแหละว่าไปปล่อยทุกไปปลดทุกมันทุกมากแต่นี่เขาทุกทางใจเนี่ยนะทุกทางใจเอาให้มันออกให้มันหายอยให้มันมีมันฝังอยู่ในใจเนี่ยเขาใช้คำหนึ่งว่าปฏิบัติทำเพื่อการสํารอกกิเลสสารอกกิเลสทําไมต้องสํารอกเพราะเราหลงผิดไงคิดเข้าไป ปรงแต่งกันไปหลงรักหลงชังหลงกโกรธหลงเกลียดหลงยินดีหลงพอใจติดอกติดใจมันสำรอกมันเข้าไปสังเกตไหมสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันมาจากชาติที่แล้วไหมไม่ใช่ความกโกรธก็เกิดปัจากชาตินี้ที่ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ความรักเหรอเกิดจากการพอใจคนโน้นคนนี้ชาตินี้ไม่ใช่ชาติที่แล้วเป็นปัจจุบัน ความรักความชังพอใจไหมพอใจกิเลสตนละคะเกิดมาจากชาติเนี่ยความอยากได้อยากเป็นก็อยากได้อยากเป็นอไอนสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยใกล้ๆตัวเนี่ยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละที่มันสะสมเนี่ยมันผุดขึ้นมาเนี่ยเวลายกมือสร้างหยอกก็คิดถึงบ้านเนี่ยคิดถึงผัวคิดถึงเมียคิดถึงลกูกคิดถึงวัดวาอาวาสมุกานเนาะ พระท่านมาจากเชียงรายเชียงแสนเชียงของเป็นงดนะญาติโยมมาตามไปหลุดไปยังกิเลสท่านมาจากชาติไหนก็ชาตินี้แหละที่ไปปลูกพันธ์กับโยมตํานู่นทมนี่ทําตุละหน้าที่ปลูกพันธ์การเขาก็อาศัยพึ่งพระอาศัยว่านี่มลหลวงพ่อ ไปช่วยหน่อยนี่มีคนตายเกิดขึ้นให้มีคนแต่งงานเกิดขึ้นเป็นโน้นเนี่ไปช่วยทําภาระธุระหน่อยอา้าส่งข้อยัดยมไปตามประเพณีอันนั้นเขาต้องไปอ่ะถามว่าเกิดจากชาติที่แล้วไหมถ้าเป็นชาติที่แล้วก็ชาติที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้นี่เนี่ยที่ท่านไปทไําไหมนะความคิดหนึ่งหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าชาติหนึ่งหนึ่งของจิต ที่มันสะสมเนี่ยคนไหนชอบสีแดงสีขาวสีเขียวก็เกิดจากชาติเนี่ยที่เราทำเมาเนี่ยแต่มันสะสมสะสมมาเข้ามาเข้ามาเข้ากันเรียกว่าอาสวะอาสวะสวะลืมตาลืมตามองไกลๆบางคนมันคิดจะเนี่ยงงจัดจ้นเนี่ยออกไปหนึ่งกูจะไปถามสั่งซื้อยาหม่องมาจากสองกัน เอามาทาตาอันนั้นมันก็ไม่ใช่วิปัสนารู้แจ้งเป็นวิปัสสนายังมองคนแบบเอามาทานะคนคิ้วหายนะได้เขียนถาวร น, นะมันร้อนนะทาไปทามานี่มันร้อนจะได้เขียนคิ้วถาวร น, นะลงตาเคเห็นทนะุกคนที่เปที่วัดป่าสมนัตทาประจนะําลมันคิ้วมันหายมันร้อนก็เลยไปสักถาวร พอมาปฏิบัติทำรอบสองรอบสามันกระยับลงมาหนังมันกระยับได้ทารรอีกข้างบนอีกอันหนึ่งเอาดีๆได้ระวังดีๆ ด, ด, ด, ดช่างศักดิ์เขาจะมีงานทำเลยลบก็แพงนะยิงเลเซอร์นะความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจที่เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือเพราะวิบากกรรมวิบากขันเลาเนี่ยแหละ เราได้เกิดมาเนี่ยมันมีรูปกายรูปกายมันที่เกิดขึ้นเพราะการกินการดื่มการผิดวิปลิตจากโครงสร้างของร่างกายของเชื้อโรคที่มันเปลกปลอมเข้าไปก็ชาตินี้แหละติดบุหรีติดเหล้าก็ชาตินี้แหละที่นี่ปฏิปัติธรรมเนี่ยจเจริญสติเนี่เพื่อการสำลอกคุณเคยไม่กินอะไรเข้าไปแล้วมันเป็นพิษเนี่ยกินเห็ดอะเงี้ยพอ ก, กินไปปุ๊บจะสำรอกมันออกทาไง ต้ไปหากินเลากไม้กินผ ล, ลไม้กินยาอะไรสักอยาก่างกินกินลงไปหรือล้วงคอลงไปเดี๋ยวนี้กําลังล้วงคอยโยมแนละ้วเดี๋ยวนี้ล้วงลงไปล้วงลงไปให้มันอาเจียนออกมาอย่างตัวง่วงเนี่ยคชอบแล้วเกินนี่ก็ล้วงอยู่เนี่ยทั้งกรรํำทั้งบีบอยู่เนี่ยห่วงห่วงเป็นห่วงห่วงยากโยมกว่าทางนั้นห่วงพระยกว่าทางนี้จะได้เลือกอาชีพสอนอยู่แหละมันโอ้ยคนเขาเกลียดชัง ทำใบๆเนี่ยใครก็โอ้ยไปไปไปฏิบัติก็ลงตาได้ถ้าดุได้ไอ้แล้วพากันมาทำอะไรอย่างทำให้มันตื่นเนี่ยทำทำไมไม่เสียเวลาหรือชีวิตทุกเธอเจ็ดวันนะ่ะไม่ได้มาปฏิบัติเอาบุญเนี่ยเนี่ยปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งนะยเนี่ยบางคนหลับจนกระทั่งไม่รู้แจ้งเนี่ย ดวงอาทิตย์ขึ้นก็ยังไม่เห็นกับเขาเพราะมันหลับตลอดเวลารู้แจ้งดวงอาทิตย์ก็ยังดีไม่รู้แจ้งปัญญาเขาใส่ยากินยาเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปาอยู่ๆก็ต้องอเอากะถงมันลองรับนะ่แต่การอาเจียนทางความคิดหรือการสำลอกกิเลสเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมาลองรับเลยมันจะพุทออกมากมเองว้าออกมาเองเขาเรียกว่าสำรอกสำรอกกิเลสการสำลอกสำรอกออกมาจากใจเนี่ย มันจะรุดออกสิ่งที่เราเคยสะสมมาเนี่ยมันจะออกมาหมดเลยแล้วมันจะหายไปเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วตั้งแต่จําความได้ไปรักใครชังใครเกลียดใครพยาบาทคาดเคีเคยดแค้นอะไรใครเนี่ยมันจะหลุดออกฉนั้นทีบอกว่าเวลารู้รูปนามเนี่ยความพยาบาทเนะียปยาปาทะเนี่ยมันจะหลุดออกไปแต่ ใ, ใหม่ๆนี่คุณต้องฝืนฝืนในสิ่งที่คุณชอบเนี่ยความง่วงความเหงงความเบือ่อความ ความความพอใจไม่พอใจอีกส่วนมันจะตัวพยาบาทมันจะหลุดออกหรอกมันจะเกิดการสำรอกออกพฤติกรรมต่างๆที่เห็นเนี่โอ้เราไม่ดีเนาะเราจะเริ่มเห็นอะไรหลายๆคนอย่างน้อยๆก็เริ่มเห็นแล้วว่าเราไม่ดีอะไรกลับไปนี่จะไปปรับปรุงเนี่ยมันสำรอกตื้นๆอันนี้ตื้นๆมันมันเป็นแค่นิสัยมันยังไม่ใช่อาสวะไม่ใช่สิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในขันทะสันดาน ขันถ้าสันดานก็คือใจนั่นแหละสันดานคือมันหนาแบบนิ่วรู้จังนิ่วไหมนิ้วมันสะสมทีละน้อยละน้อยละน้อยในถุงน้ําดีนะต่อมามันจะแข็งมากเขาเขาเรียกว่าเป็นหินดานนะนั้นในจิตเราที่มันสะสมอยู่ทั้งเป็นนิสัยใครแตะไม่ได้นะบางคนง่วงกับง่วงไปเป็นสันดานเลยเนี่ยเอาไม่ออกนะอันนี้เขาเรียกว่าสันดานแหละเนี่ยสันดานเหมือนหินดานดินดาน กีเลศสันดานเครื่องดองในสันดานเราเคยได้ยินนะเครื่องดองในสันดานหนาหนาจู่เขาเรียกว่าปุถุชนปุทุเป็วันหนาปุถุชนคนพูดหนาด้วยกีเลศมาวันหนึ่งก็ยังออกไม่ได้สองวันก็ยังไม่ได้สามวันก็ยังไม่ได้พระเคาะอยู่ยนี้ก็ยังไม่ออกอย่นี่มันหนามากมันต้องเอาคอนปอนแปดปอนนี่ทบเอาเลย ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราไปอยู่โ น, น่นวกเธอน่ะกร็รมาฐานคนเมืองน่นน่ะต้องไปอยู่สำนักที่เขาพูดเพราะๆโ น, น่นมันถึงจะได้นั่งหลับตาดีๆนะจ๊ะทำใจสบายนะจ๊ ะ, ะมันถึงไม่ระคายเครื่องหูอะไรเลยอะสบายอันนี้มัน แล้วใคเคืองพอแล้วให้มันตื่นนะเนี่ยมันตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ตื่นมาโกรธนะถ้าตื่นมาโกรธก็โง่อีกแหละนะปลุกให้มาพบพระเนี่ยปลุกให้มาพบพระพบพระคือรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมาพบกับพระเนี่ยพระในใจเนี่ยปลุกเขาเรียกว่าปลุกพระแหละนี่ก็เห็นไหมเขาทํานี้นี่เขาปลุกพระเนี่ยทำพิธีอันนี้กำลังปลุกแล้วเนี่ยปลุกพระนี่ไม่ได้ปลุกรูปปลุกเหรียญได้หนิ มันมีคนหูสองหูนั่นปลุกเลมันยังไม่ตื่นเลยไปปลุกเหรียญนี่มันตื่นมันไม่ตื่นนะเนี่ยไปพุทธาพิเศษนี่ปลุกให้รู้ตื่นเบิกบานเป็นพุทธะเนี่ยพุทธาพิเศกปลุกเสกให้มันเป็นพุทธะให้รู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นให้มันเกิดการสํารอกไงสารอกสํารอกกิเลสรุ่นนี้มันหนากว่ารุ่นที่แล้วนะรุ่นที่แล้วไม่ได้หนาปานนี้ไม่ได้เทิไม่ได้ดุปานนี้ได้ แต่รุ่นนี้ว่ามันหนามันไม่ฝาเชอล่าธรรมดารุ่นก่อนนั้นตาเสือหรือนกอินทรีประมาณนี้แหละอันนี้มันตาแรกนะเนี่ยมองมาข้างในอ่ะโยมมองก็ให้ข้างในใจมองเอาลวงตาบอกอะไรนะตอนนี้หกโมงสิบ้าแล้วนะ ในเวลาตื่นแล้วเขาจะแดกแล้วต้องได้พูดทุกครั้งอ้เรื่องแดกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเอาตัวแดกมาโยะมันเขาทำกับข้าวดีมากว่าเนี่ยได้เวลากินแล้วยจะเหมาะกับญาติโยมมากเรื่องกินเนี่ยเรื่องปฏิบัติคงไม่เหมาะเอาให้มันได้นะอันไหนได้ก็เอาละ่ะ อย่างน้อ ย, อยก็มาที่นี่ก็ถือว่าลดน้ำหนักก็เอาไม่ได้เห็นทำเห็นโมของเขาแหละกูออกไปสักหน่อยก็ดีอ่ะเวลากลับไปบ้านก็โอ้ยเริ่มเปลี่ยนจิตนิสัยเริ่มปล่อยเริ่มว่างความโกรธนี่สาลอกออกยังไม่เป็นเฮ้ยยังอยู่ในใจอยู่เนี่ยแต่นิสัยบางอย่างที่ที่ เกินไปเนี่ยเริ่มปล่อยได้แล้วแต่ตัวโกรธนี่มันอยู่ลึกตัวโลบตัวหลงยังสำรอกไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติอีกเนี่ยเขาบอกยคนนั้นกลับมานิสัยดีขึ้นนะเปลี่ยนแปลงขึ้นหัน่นมันตัดกิเลสตื้นๆออกเป็นนะเพราะมันไม่ค่อยคิดแล้วเรื่องแบบนั้นนะมันปล่อยว่างได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าไอ้ที่อยู่ลึกๆที่เป็นกิเลสเครื่องดองในสันดานยังไม่ออกมันต้องเกิดวิปัสนาญาณเนีนะ่ยมันต้องมีตัวยามเมล็ดยาดีๆ ที่กินเข้าไปเลยอวกออกมาดันดีอ่ะมันมันก็ต้องเกิดวิปัสนาญาณตัวนี้ไม่ใช่จะมายกมือเยอะๆแยะๆแล้วมันจะเป็นนะไม่เดินนั่งๆหลับๆตื่นๆนี่มันจะเป็นมันไม่เป็นง่ายกันนมันไม่ตื่นกันนะนั้นกิเลสคุณมันอยู่ลึกเมื่อมันอยู่ลึกเนี่ยยาทานยากินนี่คุณต้องลึกด้วยนะต้องมีอนุภาพสูงนะแต่มันก็ชอบยาหวานพวกนี้ มันชอบกินยาหวานวจะเพิ่มขึ้นอีกนะต้องกินยาขมหวานเป็นลมขมเป็นยานนเวลาไปเดินจู ก, กลมียิ่งไม่รู้สึกตัวอีกมันก็ห่วงตีนมันอีกนะใส่รองเท้าไม่รู้กี่ชั้นตั้งรองเท้ารุงเท้าเดินเห้ยทำไงก็รู้สึกตัวแหละอัตราตัวตนมันลดน้อยถอดแม่มาเลยเดินจู ก, กรมเฮ้ยพระรหัสดังหลายนั่นงเดินจกกุกม คงไม่ใส่แอด้าเหมือนกูนะคงไม่มีสกอร์นะถ้ายังมาลูท่ทากูในรุ่นไหนนะกูบางขนาดนั้นเหลยตื่นไวเหรือรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่น่าจะตื่นง่ายขนาดนั้นอ้าถอดแม่มันถอดออกนะเดินเดินเลยเนี่ยจับตัวรู้สึกเห็นไหมภาคกรรมฐานเขาเดินตามถนนนุ่นทางเขาไม่ได้ใส่รองเท้าเพราะอะไรเพราะเขาจะให้มันรู้สึกร้อนก็ ร, นกร้อนนะทางลาดยางเนี่ยแต่บังคับให้จิตมันอยู่ในนี้ เห็นรถมันวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะไปเกียจชังเขาเขาไม่รับเราเนี่ยเฉยกับมันรถผ่านไปเขายิ้มให้เฉยๆดวงพี่ไม่รับหรอกเราก็ไม่ไม่ว่าเลยเพราะใจอยู่ที่เทา้าเลยลึกรู้ไปเรื่อยๆ เ, เดินจานี่ถึงจันด บ, บุรีนี่นะ<ม>ก็รู้สึกตลอดเวลาเอาไปเนี่ยเท้าพงเท้าพองก็ให้มันอยู่นี่แต่ถ้ามาเดินแบบสบายเลย มันไม่อยู่หรอกคือมันไม่เห็นทุกข์แล้วมันไม่พยายามที่จะแหนงหน่ายเกลียดร่างกายสังขารนี่มันไม่เกิดนิพพิธาไม่เกิดวิราคะคลายกำหนัดเจี๊ติดเนี่ยมันไม่มีโยมท่านนั่งท่านไหนมันหลับดีดนี่เปลี่ยนท่านั่งเอาท่านั่งที่อดอัดหน่อยมันจะช่วยได้เยอะอืมอย่าไปให้มันสบายมากนะโลตาเห็นโยมคนหนึ่งไปปฏิบัตินะขาเกยาว แกนั่งเนี่ยขัดสมาธิแบบเรานี่แหละแต่แกเอาเท้าขึ้นมาพาดไว้บนคอนี่แล้วก็สร้างจังหวะโอ้ยไม่เคยเห็นลุงตาก็ไม่เคยเห็นทําที่วัดนะขาในพาดอยู่นี่ไม่มีง่วงเลยพอมัน ง, ง่วงขามันจะกดลงไปฮนะก็สร้างจังหวะไปเรื่อยลุงตาลืมถ่ายภาพเอาไว้เอามาให้แช่นนะ้ำไม่โยมกินเพื่อจะได้ช่วยเยอะนะเข า, าขาเนี่ยขาแกนเนี่ยเอามาพาดไว้บนนี้ แล้วก็สร้างจัง่วะไปเฉยนะ่ะไอ้พวกที่นั่งปฏิบัติทำด้วยกันก็เลยเพลินอ้า จ, จัดจัน์ก็เลยไม่ง่วงเพได้ดูขาเขาพาดอยู่บนค อ, อนี่เราได้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านี่เอาขาพาดเองไม่ได้คนอื่นพาดมันก็โกรธนะเนี่ยือ <c oughs> ให้คนนั้นพาดให้คนนี้พาดให้ก็ไม่ได้ น, นี่งัพาดคุณระดับไหนนี่เนี่ยเห็นไหมความโง่มันจะโชว์ ข, ขึ้นมานนดันดีอะ สว่างหรือยังเนี่ยยังไม่สว่างเนาะดูที่บ้านเอาคักกว่านี้ตีเอาจนเกี้ยงแดดขึ้นแปดโมงนั่นตีลวงปูเลินสังเกตดูคนไหนง่วงเนี่ยหาเอานะสามคนนะแล้วเอาพาเดินจิกงขึ้นไปน้ำตกนั่นน่ะเอามันไปอาบน้ำแต่ระวังมันพลักเราลงตกน้าตกนะ เดินไปด้วยกันโยมไอ้เดินไปด้วยกันนะเดินออกจากทุกเนี่ยเดินลองอไปพร้อมๆกันนะโยมก็ให้มันตื่นตัวยื่นมือมาจับเดินไปกับพระเนี่ยไปพร้อมๆกันนะไม่ใช่เห็นในิยานแบบพระเอา้าก็ไปอยู่ในป่าในดงในถ้าทําไปคนเดียวไอนะ้อันนี้ชวนกันไปนี่ทําด้วยกันไปแลยลึกรู้ไปเนี่ย อ้สิ่งที่ง่ว ง, ง, งเป็นๆแบบเนี้ยคูบาอาจารย์เป็นมาก่อนแล้วอันเนี้ยง่วงมาก่อนแล้วทุกมาก่อนเราแล้วนะผ่านมาในนั้ไม่ใช่มาทร ม, มานกันนี่แต่มันมีจุดที่มันออกได้อยู่นะมัน อ, อกได้ในระยะเวลาใกล้แต่ว่าฝืนหน่อยพวกไหนที่เคยไปฝึกแบบหลับตามานมาฝึกกันนี้จะยากจะง่วงเพราะมันมันไปฝึกวิธีหลับมาคือนั่งแบบนี้ก็หลับ แล้วมันก็หลับหลับจนเคยมันชานานมันก็คิดว่าสมาธิยิ่งหลับอยู่ที่บ้านบ่อยเข้าบ่อยเข้าพอมาทําบบนี้ยิ่งลําบากเพราะคุณทําผิดไงคุณคิดว่าสมาธิคือหลับสมาธิคือนิ่งไม่ใช่นะพอมาไปบัดทำที่นี่ก็ไม่หลับได้อยู่แต่ต้องมียาดมแท่งแค่สองทบางทีดมกัวเดียวหมดเลยแก ง, ง่วงให้มันตื่นเยอะๆนะ มันไม่ยากหรอกธรรมะเนี่ยเวลาเราออกจากความม่วความเหงาปุ้งนี่เหมจะเห็นเริ่มโทสะ ก, ก็อยู่ในนั่นละ่ะโทสะ ก, ก็เริ่มตั้งแต่ที่เราสู้กับมันเนี่ยสู้ความความมัวความเหงานีนะ่ความโลภความโกรธจะเริ่มเห็นเนี่ยอย่าไปกลัวนะต้องมีความอดหันเริ่นเดินบังเทินในธรรมเค่นนี้เองนะชีวิตเรากายกับใจนี่ กายก็ร่างกายนี่ใจก็คือความรู้สึกนึกคิดนะมันมีแค่นี้วันหนึ่งคิดอะไรให้อ่ะคิดเยอะแยะจนกระทั่งเต็มจนล้นมันเออเลิกขึ้นมาเอาออกไม่ได้มีแค่นี้เองไม่มีมีอะไรแต่เราก็สําคัญมันหมายว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่กูดีกูเด่นกูดังกูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กูระดับนั้นระดับนี้ความคิดมันเข้ามา พราเราสลัดไม่เป็นสำรอกไม่ออกมันก็เลยเป็นเจดีนิสัยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นนี้เพราอเป็นอย่างนั้นนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติจนกระทั่งว่าถึงที่ไม่เกิดแล้วเราสิ้นสุดการเกิดแล้วทุกมันไม่เกิดในใจของท่านอีกแล้วเมื่อไม่มีการเกิดทุกก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายละชีวิตมันเป็นอมตะแล้วคือมันไม่ทุกแล้วมันสิ้นพบสิ้นชาติอยู่ข้างในแล้วทุกมันดับแล้ว เราปฏิบัติธรรมเพื่อจะดับอันนั้นเดียเ๋ยวนียดับได้หมดแล้วสําลอกหมดแล้วก็กลายเป็นอะไรอะเป็นกายว่างจิตว่างกายไม่มีอะไรจิตไม่มีอะไรเขาเรียกว่าเป็นขันว่างขันที่มันบริสุทธ์่งพรไตรจะบอกให้เ อ, อ้าที่ที่มันไม่ง่วงนะ่ะเนี่ย กดเข้าไปในนี้แล้วหมุนไปหมุนมาเนี่ยกดจุดแบบจีนเนี่ยแล้วมันจะหายง่วงกดไหนที่ง่วงๆนะเข้าไปในนี้แล้วกดแรงหมุนไปหมุนมาต้องหัวคิว้วสองนันเนี่ยแล้วมันจะหายเลยหรอกน่าจะไม่ง่วงลองกดดูนะถ้าใครง่วงๆนะเห็นไหมเวลากดแล้วมันจะตื่นเนี๋มันมีเส้นตื่นของมันอยู่ในนี้ทําให้เลือดมันขึ้นหน้าหัวไปหัว ม, มาเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้ น, นมา ถ้ยังไม่ตื่นก็มังงีงสับโป๊กเข้าไปองก็จะตื่นขึ้นมาคือต้องหาเอาแหละของใครของมันนะบางคนบงบางฟังทำนี่ๆหน่อยก็หลุดได้แต่บางคนเนี่ยมันต้องไปฝืนเยอะๆด้วยตัวเองบางคนง่ายๆนะไม่ได้หมายความว่ามันจะยากนะไม่ได้เอาเป็นเอาตายแนตะ่บางทีนี่ๆหน่อยก็หลุดเพราไปแล้วก็สว่างทั้งกลางวันกลางคืนนะ